ดก่อนอวุโสอุติยะพระตถ า, าคตก็ฉะนั้นเหมือนกันไม่ได้ทรงมีความขวนขวายอย่างนี้ว่าโลกทั้งหมดหรือกึ่งหนึ่งหรือสามส่วนจะออกไปจากทุกข์คือพระองค์ไม่ได้ตั้งเกณฑ์ไว้เลยนะว่าการการบัญญัติหรือการสอนของพระพุทธเจ้านะทั้งหมดต้องบรรลุหมดไม่ได้คิดอย่างที่สองก็บอกต้องบรรลุให้ได้ครึ่งหนึ่งของโลกอันนี้ก็ไม่ได้คิดหรือว่าสามส่วนนี้จะต้องออกไปจากทุกข์ไงนะก็ไม่ได้คิดเอาไว้ โอถ้าถ้าคิดอย่างนั้นต้องใส่ไม่ได้ไม่ได้ตรัสรู้แน่นะมันจะเป็นไปได้ยังไงนะเอาแมลงมาให้มันบรรลุให้หมดอย่างเงี้ยนะจะทํำยังไงได้นะหรือจะเอาพึ่งเนี่ยรังนี้จะเอาให้บรรลุให้หมดเลยนะทั้งฟูงเลยอย่างเงี้ยนะหรือเอาปลาบ่อนี้ให้บรรลุให้หมดเนี่ยนะเอาปลาในทะเลมาบรรลุให้หมดอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะพระพุทธเจ้าไม่่่่่่ไดด้้้้คคิเเรรรืออออองงงงปะะะะภทยยยาาาานนนนนัูแลววพ์มีี สัตว์เหล่าใดเหล่าหนึ่งออกไปแล้วหรือกําลังออกไปหรือจะออกไปจากโลกนะคือผู้ที่จะพ้นบรรลุธรรมเนี่ยนะสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดละนิวรณ์อันเป็นเครื่องเศร้าหมองใจอันทําปัญญาให้ทุรพลหประการอันนี้คือข้อปฏิบัตินะถ้าถ้าจะรวบยอดว่าข้อปฏิบัติในผู้าศาสนาคือยังไงบอกว่าถ้าใครจะบรรลุนะหนึ่งต้องละนิวรณ์หข้อ2เป็นผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วในสติปัญสี ข้อสาเจริญโพชชงเจตตามความเป็นจริงสัตว์เหล่านั้นออกไปแล้วหรือกําลังออกหรือจักออกไปจากโลกด้วยอาการอย่างนี้อ น, นะสะรุปว่าพระอริยะจะอดีตพระอริยะในอนาคตหรือพระอริยะในปัจจุบันนี้ก็ตามท่านเหล่านั้นต้องละนิวรณ่าที่ตามปัญญาให้ทุรพลมีจิตตั้งมั่นในสติปัฏฐานสี่เจริญโพธชงเจตจะต้องข้อปฏิบัติอันนี้เหมือนกันหมด สรุปว่าต้องละสมุทยัยสัตย์จเจริญมัคคสัตย์มานั้นถ้าจะว่าย่อๆนะผาระยะเหล่านั้นต้องทํากิจอันนี้ละสมุทยัยสัตย์จเจริญมัคคสัตย์ถ้าจะพ้นทุกพ้นทุกได้ด้วยข้อปฏิบัติอันนี้นั่นเองดูก่อนอุโสอุติยะท่านได้ทูลถามปัญหานี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าข้อใดปัญหาข้อนั้นท่านได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยปริยายอื่นฉะนั้นพระผู้เทเจ้าจึงไม่ทรงพยากรปัญหานั้น นะคือไม่ตอบอะนะเพราะอยู่บนลทัทธิตลอดเลยนะมิจฉาทิธิก็เกิดอยู่ตลอดก็คุยกันก็ตอบกันไม่ได้อยู่แล้วย้ำอีกครั้งหนึ่งนะว่าไอการจะละสังโยชนสามประการเนี่ยนะคือสากายะทิฐิวิจิกิจฉาสีและพัตะปามา m ต้องละได้ด้วยการเห็นอริยสัจนะอันนี้ละแบบสมุเิเฉดแต่ถ้าละโดยลำดับวิปัสนาเนี่ยนะ ก, ก็ละโดยต่ทางข้าประหาร ละแบบด้วยแต่ทางข้าประหารละตามลำดับนิปัสนาถ้าละโดยสมุเดเฉดเด็ดขาดอย่างสูงสุดก็ต้องละด้วยการเห็นอริยสัจเนี่ยนะท่านบอกว่าเห็นอริยสัจนะ อ, อริยสัจคือการเห็นทุกขอริยสัจเห็นสมุทัยอริยสัจเห็นนิโรธอริยสัจแล้วก็เห็นนิโรธคามินีปฏิ ป, ปทาอริยสัจ การเห็นทุกเห็นทุกขาริยาสัตว์เนี่ยละสกายะทิฐิเห็นสมุทัยสัตว์เนี่ยนะการเห็นสมุทัยสัตว์ละวิจิกิจชาเห็นนิโรธสัตว์กับมรรคสัต์ละสีละพตะปรามากเห็นอริยสัตว์สี่ประการนะจึงจะละสกายทิฐิวิจิกิจชาศีละพตะปรามากตรวันอีกครั้งหนึ่งนะละสกายะทิฐิด้วยการเห็นทุกขาริยสัตว์ ละวิจิกิจฉาด้วยการเห็นสมุทัยอริยสัจละศีลพัตะปรามาด้วยการเห็นนิโรธและเห็นทุกขนิโรธคาคมินีปฏิปทาอริยสัจเห็นทุกขและสมุทัยอริยสั์นี้เห็นโดยกิจนะเห็นนิโรธอริยสัจเห็นโดยอารมณ์โดยกิจกับโดยอารมณ์นะไม่ใช่ว่าหมายถึงไปนั่งเห็นจริงๆแบบด้วยตานะเพราะว่าตัวตัวเห็นตัวนี้นะเป็นชื่อของ โซดาปฏิมัติซึ่งขณะนั้นมีพระนิพพานเป็นอารมณ์แต่ถ้าเห็นโดยลำดับที่เป็นแต่ทงางฆาตปหารเนนะเขจะเห็นแบบนี้ก็จะเห็นโดยลำดับเช่นหนึ่งละส ก, กายะทิฐิด้วยการเห็นนามรูปหรือเห็นอายตนะก็ได้อะส ก, กายะทิฐินะความสําคัญผิดว่าเป็นอัตตาหรือเป็นสัตว์เนี่ยเมื่อแยกแยกโดยความเป็นอายตนะ ได้ทั้งหมดแล้วไม่มีความสําคัญผิดในวัตถุใดเลยอันนี้แหละเรียกว่าละสกาญาิฐิละละข้อสอนะละวิจิกิจฉาด้วยการกําหนดปัจจัยรอบรู้ในปัจจัยทั้งหลายจะละวิจิกิจฉาได้เพราะไรเพราะว่าสังขารทั้งหลายนี่เกิดจากปัจจัยใช่ไหมแม้ในอดีตสังขารก็เกิดจากปัจจัยแม้ในอนาคตสังขารก็จะเกิดด้วยปัจจัย ปัจจุบันนี้สังขารทุกชนิดก็เกิดจากปัจจัยถ้ารอบรู้ปัจจัยดีละวิจิกิจชาได้เพราะการรู้ปัจจัยนั่นแหละคือการรู้สมุทยัยอย่างเช่นปัจจัยของจักรสุปัจจัยของโสตะคานะชิวหานะคือสมุทัยใช่ไหยตัวหลักที่ทําให้เกิดจักรสุ ค, คืออะไรรู ป, ปตันหาใช่ไหมตัวหลักที่ทําให้เกิดโสตะคือสัทธตันหาตัวที่ทําให้เกิดจมูกคือคาคันทะตันหา ตัวที่ทําให้เกิดลิ้นคือรัศฐตันหาตัวที่ทําให้เกิดกายก็คือโพธภาตันหาตัวที่ทําให้เกิดใจก็คือธรรมะตันหาเพราะฉะนั้นตันหานั่นแหละเป็นปัจจัยจึงเกิดตาหูจมูกลิ้นกายใจเนีน่ยนะการที่เข้าไปรอบรู้ก็อัน น, นี้เรียกกาหนดปัจจัยตาหูจมูกลิ้นกายใจในปัจจุบันเกิดจากตันหาฉันใดตาหูจมูกลิ้นกายใจในอดีตทั้งหมดก็เกิดจากตาันหาฉันนั้น ถ้าจะมีตาหูจมูกลิ้นต่อไปในอนาคตก็คือเกิดจากตัณหาอีกเหมือนกันทีนี้ก็อย่างที่สมก็คือกำหนดในความไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราและความสำคัญว่าไม่ใช่เราหรือไม่ใช่ของเราด้วยการพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเนี่ยนะที่เรียกว่าสัมมาสนญญ า, าหรือตีรณะนะคือพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตานะไม่เที่ยงเพราะ สิ้นไปเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระก็ไม่ได้สำคัญว่าเราไม่สำคัญว่าเป็นของเราอะไรเนี่ย น, นะข้อต่อไปนะละอุดเฉดทิฏฐิด้วยการเห็นความเกิดคือเห็นสมุทัยสัตว์นั่นเองคือถ้าจาักรคู่จะเกิดเกิดเพราะอะไรเกิด น, นะวิชาตัหากรรมอาหารและและตัวจักคู่เกิดนะนี่พติลักษณะนะ พัน้าหากว่าเห็นความเกิดของจักขู่ด้วยอาการห้าละอุเฉทิฏฐิส่วนละสัสตะทิฏฐิก็ด้วยการเห็นความดับเช่นเพราะอวิชชาดับจากสูจึงดับเพราะตัณหาดับจากสูจึงดับเพราะกรรมดับจากสูจึงดับเพราะอาหารดับจากสูจึงดับและเพรความไม่เที่ยงของจักสูเองเนี่ยนะังั้นการรู้ความดับของสิ่งเหล่านี้ละศัสตะทิฏฐิส่วนที่เหลือก็เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นอนุปัสนาเนี่ยนะ อนุปัสนา7เนี่ยที่เหลือก็เป็นกิจของอนุปัสนา7เช่นตามเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงละความสําคัญว่าเที่ยงตามเห็นด้วยความเป็นทุกขละความสําคัญว่าเป็นสุขถ้าเห็นด้วยความเป็นอนัตตก็ละความสําคัญว่าเป็นอัตตาเนี่ยนะตามเห็นด้วยความเป็นของเบื่อหน่ายก็ละความเพลิดเพลินถ้าเห็นอ่าโดยความคลายกําหนัดก็ละราคะเนี่ยนะถ้าเห็นโดยความดับก็ละสมุทัย ถ้าเห็นด้วยความสละคืนก็ละความยึดถือเพราะนั้นก็จะมีการละไปโดยลําดับทีนี้แต่ว่าการละโดยเด็ดขาดจริงๆก็ต่อเมื่อเห็นอริยสัจแล้วนั่นแหละอันนี้คือละโดยสมุทรเชธาประหารแต่ในระหว่างการนี้ก็เรียกว่าการละแต่ละโดยตะทางฆ่าประหารฟังก็ละแล้วแต่ละโดยตทางฆ่าประหารแมว่ายัางตัดปัดจจัยไม่ได้ ถ้าเห็นอริยาศาสตร์แล้วจึงจัดปัจจัยของการเข้าใจผิดในสิ่งเหล่านี้ทั้งปวงได้ดังนั้นการเห็นอริยาศาสตร์นี้ดีอย่างเงี้ยนะเขาสามารถละ ก, กิเลสได้มันจึงเป็นกิจที่ควรภาคเพียรพยายามเป็นอย่างยิ่งให้รู้ว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนรโรดนี้ทุกขเนรโรธาคาม่มีปฏิปทาเนี่ยนะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่จะต้องภาคเพียรพยายามจริงๆถ้าไม่รู้ก็ต้องเพียรเพื่อรู้ นะถ้าไม่มีครูก็ต้องสแสวงหาครูให้แนะนําไม่มีกาลยานมิตรก็ต้องสแสวงหากาลยานมิตรเพื่อให้เห็นอริยสัจให้ได้นหลนะคือแต่คงไม่มีใครยินดีที่จะบอดตลอดกาลนะรักษาไอ้ความบอดเอาไว้คงไม่มีมั้งทั่วไปเขาก็ไม่เอามาเรียกหรอกคือมีในพระไตรปิฎกใช้น้อยมากนั่นแหละคือ ถ้าใช้ปั๊บเดี๋ยวก็เอาละมันกิเลสมันค่อนข้างจะแทรกได้ทุกทีอยู่แล้วนะปุถุชนท่านในคัมพี์ท่านจึงไม่ค่อยนิยมใช้เนี่ยนไม่ไม่ค่อยมาเรียกว่านิพานนะแต่ใช้คําว่านิโรธคือดับแต่ไม่ได้ใช้คําว่านิพานแต่ต่ทางคันิพานเนี่ยนะศัพท์นี้ก็แต่มีอยู่บ้างแต่น้อยมากเนี่ยนะแสดงว่าศัพท์ไหนที่ใช้น้อยเนี่ยนะถ้าเรามาใช้ตามจนเฟือก็ไม่ค่อยดี นั่นก็พยายามจะใช้ให้น้อยเหมือนกันเพราะว่าตาทางค้ากับวิขัมภนะเนี่ยนะตะทางค้าเป็นชื่อของวิปัสสนาวิขัมภนะเป็นชื่อของสมถะเพราะนั้นตัวสมถะวิปัสสนาเราจะเรียกว่านิพานก็ที่เรียกว่าออกจากตันหาก็ออกได้ชั่วขณะนั้นเท่านั้นเองขณะที่กุศลธรรมเหล่านั้นเกิดไม่ได้เป็นการแทงตลอดพระนิพานโดย อารมณ์อะไรแตไ่ได้โดยชื่อเท่านั้นเองการไม่เจริญหรือการไม่พิจารณาอา ร, ริยสัจหรือพิจารณาอายตนะเป็นต้นเนี่ยนะการไม่พิจารณาเนี่ยเป็นตัวที่สําคัญที่สุดที่จะทําให้เกิดมิจฉาทิฏฐิหรือการเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นถ้าเราศึกษาคําสอนเหล่านี้เนี่ยนะเมื่อปรารบอารมณ์ใด ก็เอาความรู้เหล่าเนี้ยใคร่ครวนในอารมณ์นั้นอย่าใช้คําว่าอารมณ์มันมาปรากฏนะจริงๆแล้วเราแสบไปหาอารมณ์เองไม่ใช่อารมณ์มันโผล่มาหาเราเนะยไม่ใช่ถามว่าอยู่ๆเราคิดถึงอดีตเนี่ยอารมณ์มาปรากฏหรือว่าเราน้อมไปรู้อารมณ์เองอย่านะงไรอาจารย์สอนอย่างไรถามว่า เ, าเรื่องเมื่อวานเนี่ยนะอยู่ๆก็แวบขึ้นมานะเรื่องมันโผล่ขึ้นมาหาเราหรือว่าเราเนี่ยเราไปหาเอง เนี่ยจริงๆแล้วเราอ่ะน้อมจิตไปรู้อารมณ์เองด้วยอํำนาจของวิตต ก, กะเนี่ยนะตรึกไปรู้อารมณ์มคือโดยจริงๆแล้วะก็คือการน้อมไปไอ้น้อมไปเนี่ยไม่ได้เป็นปกติของจิตจริงๆว่าถ้ายังได้ปัจจัยอนะความคิดอันนั้นก็ต้องมีอยู่แล้วก็เอาความรู้เหล่าเนี้ยใส่ไปในสิ่งนั้น<ม>เช่นว่านึกถึงอะไรก็ได้นะจะเป็นอารมณ์อดีตก็ตามอ่ะถ้าอดีตเหล่านั้นก็คืออายตนะสิบสอง อย่างนี้ก็ได้นะถ้าถ้าใส่ใจแบบพิสดารนิดหนึ่งก็เนี่ยทั้งหมด เ, เรื่องทั้งในอดีตชีวิตในอดีตทั้งหมดก็คืออายตนะสิบสอถ้าคิดต้องการสิ่งใดในอนาคตต่อนหน้านะสิ่งเหล่านั้นก็นับเนื่องในอายตนะ12นี่ก็ได้ก็คือเอาความรู้เหล่านี้น้อมไปแทนที่จะเป็นเรื่องราวทั่วๆไปตามที่เราเคยเคยคิดเนี่ยนะเพราะการคิดถึงเรื่องราวตามลักษณะความคิดของเราเนี่ยมีอะโยนิโสมนัิการเป็น เป็นเหตุใกล้แต่ถ้าการคิดถึงสิ่งเหล่านั้นด้วยคำสอนเนี่ยอันนี้เกิดจากโยนิสโสมนสัสการอันนี้ควรน้อมไปคิดเนี่ยนะก็น้อมไปคือคือปกติเราก็คิดเรื่องอดีตอยู่แล้วใช่ไหมก็เอาคาสอนเหล่านี้ไปมนัิการว่าทั้งหมดนั้นก็คืออายตนะ12นเนี่ยนะคิดถึงคนใดคนบุคคลเหล่านั้นก็คืออายตนะ12คิดถึงใครหรือต้องการพบใหม่ก็ต้องการอายตนะ12บันทั้งหมดเหล่านั้นคือ อายตนะสิบสองอันนี้เรียว่าถ้าการน้อมเข้าไปในลักษณะนี้คือการละสกายทิธิโดยโดยขณะนั้นนะขณะที่น้อมไปพิจารณาแบบนี้แต่ทีนี้ถ้าพิสดารมากขึ้นก็ไคร่ครวญถึงปัจจัยของอารมณ์ที่เราคิดถึงเหล่านั้นๆด้วยว่าวัตถุเหล่านั้นน่ะเกิดจากอะไรเป็นปัจจัยนะแล้วก็พิจารณาถึงความคิดอันนี้ด้วยว่าความคิดเหล่านี้ที่คิดก็นับเนื่องใน ความคิดนี้เป็นอายตนะไหมไอที่วิตกถึงเนี่ยเป็นอายตนะนะเป็นประเภทธรรมายตนะตัวที่วิตั ก, กะไปนะตัววิตักะเป็นธรรมายตนะอายตนะเหล่านี้ก็เป็นอายตนะเกิดจากปัจจัยเหมือนกันนะก็ใครครวญถึงความธรรมชาติที่เกิดจากปัจจยัย น, นะเสร็จแล้วก็ที่ไม่ลืมอีกอย่างหนึ่งก็ด้วยก็คือว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นปัจจยัยใช่ไหมสิ่งใดก็ตามเกิดจากปัจจยัยสิ่งนั้นก็จะเป็น ตัดทานท่าไม่ตัดสมูทัยในสิ่งเหล่านี้นะปั จ, จัยเหล่านี้ก็ก็สร้างสร้างสังคตะธรรมขึ้นมาอีกก็พิจารณาอย่างนี้มากๆ น, นนะอันนี้เป็นลักษณะของยาตะปริญญาทั้งนั้นเลยเป็นกิจเบื้องต้นที่จะต้องเข้าไปรอบรู้เข้าไปใคร้ครวนแต่ถ้าไม่ใครครวนตามคำสอนนะก็ก็ยาก อ่าหากว่าคนใกล้จะตายที่บอกว่ามีจิตที่แน่ดีเนี่ยแม่แสนกดกลับเพรานําเกิดได้จิตน่เนี่จิตของเราน้อมไปน้อมไปรับอารมณ์แน่มาทาเกิดหรือว่าจิต อ, า, อารมณ์นแน่มาปรากฏให้ให้ให้จิตกลับรู้คือกรรม กรรมเมื่อแสนโกรธกลับมานำเกิดโดยที่เราจะต้องไปรับรู้หรือไม่รับรู้ไม่สำคัญสำคัญว่าถ้ายังยังมีฉันทราคะในในอารมณ์มนั้นเถอะสำนวนว่ายังยินดีในการเกิดอยู่นะถ้ายังเพลดิดเพลินในการเกิดอยู่เชื่อมีแค่นี้ก็พอละที่เหลือกรรมแนอดีจะมาจะมานำเกิดเองซึ่งไม่ใช่กิจของบุคคลนั้นจะต้องรู้หรือไม่รู้ ถ้าปกติทั่วๆไปแล้วไม่รู้คนทั่วไปจะไม่รู้เด็ดขาดใช่ไหมว่าอย่างเห็นสีแล้วเพลิดเพลินในสีเนี่ยนะแล้วก็จุติไปแล้วก็เกิดใหม่ไอ้ตัวกรรมที่นําเกิดมันไม่ใช่ตัวเพลิดเพลินอันนี้ตัวเจตนากรรมมันเมื่อเมื่อแสนโกรธกลับที่แล้วอะ่ะมานําเกิดอุปมาเหมือนอย่างว่าคนที่สะสมสตังเอาไว้เยอะๆเนี่ยนะ เรียกว่าล้วงตรงไหนเป็นเจอสตังก์หมดอ่ะนะใช้จ่ายได้หมดอ่ะขอให้ชอบอย่างเดียวแล้วล้วงซื้อได้ทันทีเลยขอให้นึกชอบอย่างเดียวนี่ยซื้อได้ทันทีเลยเช่นเห็นแก้วก็นึกชอบแก้วนะล้วงสตังก์มาซื้อเลยทีเนี้ไอ้สตังก์ที่เขาล้วงมาเนี่ยเขารู้ไหมว่าเป็นผลพลวงเขาเก็บมาตั้งกับเมื่อไหร่ปกติทั่วๆไปรู้ไหมคนที่สะสมมาเยอะๆเนี่ ย, ยมานานเนี่ยไม่รู้ ร, รู้แต่ว่ามีสตังก์ซื้อกันแล้วกันขอให้ชอบสิ่งนั้นอ่ะนะ แต่เขาไม่รู้หรอกว่าไอ้สตังที่เก็บมาเนี่ยมันเป็นของเมื่อไรดังนั้นตัวสําคัญที่สุดคือความชอบเฉพาะหน้านั้นัน้นผู้ที่ เ, เกิดในพบใหม่คือเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นเท่านั้นเองที่เหลือก็เป็นภารากิจของกรรมอันนะแล้ ว, น, น, ลวนิมิตที่มาปรากฏนะครับจิตน้อมไปหรือว่ามาปรากฏในอนาคตชาติต่อชาติต่อไปคตินิมิตใช่ไหมด้วยอำนาจ ก, กรรมเนี่ยเป็นปัจจัยเป็นอุปนิสัยให้จิตเนี่ยรู้ รับรู้เนี่ยนะก็บอกว่าเหมือนตาทิพย์เลยเหมือนมีตาทิพย์มัอนนะเช่นภาพท้องมารดาชัดเจนเลยอย่างเงี้ยเหมือนคนมีตาทิพย์เลยจริงแม่ไม่รู้อยู่ทวีปไหนประเทศไหนก็ไม่รู้แหละแต่ว่าเห็นชัดเลยอ่ะใช่เลยอย่างเงี้ยจุติเกิดเลยพอดีเลยดื่มน้ําคํามต่อไป <c oughs> แม่ก็ดีใจใหญ่เลยนะมีลูก <c oughs> แม่บางคนก็บอกไม่เอาแล้วเหมือ น, น จุติเอกเนี่ยนะเว่าบางคนเนี่ยแม่อยากได้มากมากะนะลูกบางคนเนี่ยแม่ต้องการมาก่ะนะขอให้มีลูกสักทีเถอะขอให้รู้ว่ามีเนี่ยดีใจมากบางคนเนี่ยโอ้มาเกิดแล้วหรือพยามาอย่างนั้นเถอะรีบเอาออกให้เร็วที่สุดเท่าที่จะออกได้นะก็แล้วแต่บุญเนี่ยนะก็แล้วแต่บุญของสัตว์นั้นนั้นว่าไปเกิดที่ไหนแต่ว่าตัวที่สําคัญในการเกิดเนี่ยนะคือตันหาแหละ นี่ยจะเกิดพบใหม่หรือไม่เกิดในพบใหม่เนื่องจากตันหาส่วนกรรมเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกครับแสนโกดกลับที่แล้วเนี่ยมานําเกิดได้หมดนะสะสมดวงที่สองถึงดวงที่หกไว้กี่กลับมาแล้วล่ะไม่มีประมาณเนี่ยนะขอให้มีฉันทราคะเถอดพร้อมที่จะเกิดแล้วก็พร้อมที่จะเกิดได้ทุกแห่งด้วยเอาขอให้มีจิตน้อมไปเถอะเว้นไว้แต่ว่าเอา ปกติทั่วไปนะคือดวงที่เจ็ดในชาตินี้จะให้ผลถ้าไม่มีดวงที่เจ็ดในชาตินี้ให้ผลเนะจะเป็นกิจของดวงที่สองถึงดวงที่6กในอดีตชาติมานําเกิดเพราะฉะนั้นก็บอกว่าตายเกิดตายเกิดแล้วมันบริสุทธิ์เองเนี่ยรัตรัตที่อันนี้จึงไม่ถูกต้องนะถ้าใครคิดว่าเออเดี๋ยวตายเกิดตายเกิดใช้กรรมเกิดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ใช้หมดเองอะ่ะไม่มีมด ใครใช้หมดก็เหมือนกับว่าเออปลูกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็สมมติว่าเรามีมะม่วงสวนมะม่วงเนี่ยนะร้อยไร่อะ่ะแล้วก็มะม่วงเนี่ยดกทุกต้นเนี่ยผลดกหมดเลยก็บอกปลูกมันต่อไปมเมล็ดเนี่ยนะอย่าไปทิ้งปลูกให้มันหมดใช้ให้มันหมดนะนะปลูกด้วยการปลูกเนี่ยมีกี่เม็ดปลูกให้หมดมีกี่เม็ดปลูกให้หมดเดี๋ยวมันก็สูญพันธุ์มันเองแหละนะใครคิดอย่างนี้ถูกไหมมีไม่จะหมดหมอย่างนั้น มีแต่บาลขึ้นบานขึ้นสูนใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนี่ยนะสังสารวัตรเนี่ยลักษณะเดียวกันมันลัที่ที่เรียกว่าใช้กรรมเนี่ยจึงไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้ากรรมให้ผลแล้วอันนี้ท่านบอกให้อดทนไว้เถอะแต่ไม่ใช่ว่าไปเที่ยวแหมฉันเนี่ยแหซื่อสัตย์มากทำอย่างใดก็จะขอรับขอชดใช้หมดไปขอเดินใช้กรรมไม่หมดเลยนะก็ อได้ใช้จริงๆอะนะแต่ว่าไม่หมดเนี่ยไม่หมดเพราะว่าขนาดที่ใช้ก็ทํากรรมใหม่เหมือนกันไอ้ความคิดที่ใช้กรรมนั่นแหละคือการทํากรรมใหม่เนี่ยนะพัน้าใครเสาะสแสวงวิธีในการใช้กรรมใหม่เนี่ยรัตที่อันนี้ไม่ถูกต้องเพราะเขามีแต่ปฏิบัติว่ากรรมนี่มันทําไมมันจึงให้ผลนะเขามาไข้ครวญแบบนี้ใช่ไหมกรรมทําไมมันจึงให้ผลก็เพราะอะไรนะตัณหาแล้ว ตัณหามันเกิดจากอะไรทำยังไงจึงจะละตัณหาได้อันนั้นคือข้อปฏิบัติของพระพุทธศาสนาทำไมกรรมจึงให้ผลกรรมให้ผลเพราะตัณหาทำยังไงจึงจะละตัณหาได้รู้เห็นยังไงจึงจะละตัณหาได้คําสอนทั้งหมดเพื่อเข้าสู่จุดนี้คือจุดคือการละฉันทะราคะตัดตัณหาแต่การละตัณหาได้เนี่ยสหรับผู้ที่รู้ รู้อยู่เห็นอยู่จึงจะละได้ถ้าไม่รู้ไม่เห็นไม่สามารถละตัณหาได้ไม่ใช่ว่าทําตัวแบบซึมๆแล้วก็จะละตัณหาได้นี่ไม่ใช่เลยใช่ไห้เพราะเพลดิดเพลินในแบบนั้นอีกก็เป็นตัณหาอีกชนิดหนึ่งเอก เ, เหมือนกันส่วนพระสูตรที่จะกล่าวถึงศิลปัตระพรามาตเนี่ยนะในในสมัยพุทธกาลแม้กระทั่ง ผู้ที่มีอุปนิสัยจะบรรลุมรรคผลเนี่ยนะก็ยังก็ยังเห็นด้วยกับลัทิศสีระพตะปรามาศของนอกศาสนาเลยเนยนะอย่างเช่นนายจุนทกกรมมารบุตรเนี่ยนะคนที่ถวายอาหารมื้อสุดท้ายก่อนจะปริณิพานเนี่ยเป็นพระโสดาบั น, นก่อนหน้าที่จะนับถือผู้ทธศาสนาท่านก็เห็นด้วยกับลทัทิอาบน้ำล้างบาปเป็นต้นซึ่งวันพรุ่งนี้จะได้เอามาก่า นี่ก็อยากจะเอาพระสูตรในอังคุตรนิกายสัมมตตสูตรเนี่ยนะมาฟังสักสูตรหนึ่งว่าด้วยความพิสูจ์ทั้งหลายเพราะอาศัยสัมมตตาจึงมีการบรรลุสวรรค์และมรรคผลไม่มีการพลาดจากสวรรค์และมรรคผลแต่ตรงกันข้ามนะถ้าบอกว่าเพราะอาศัยมิชตะจึงมีการพลาดจากสวรรค์ใช่ไหมและมรรคผลไม่มีการบรรลุสวรรค์และมรรคผลเนี่ยเพราะมิชตะมิชตะก็คือความ ความผิดความความผิดนะนะความผิดที่ดิ่งเลยนะแปดประการนะคือสัมมาอ่ะขออภัยมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกปรมิจฉาวาจาเป็นต้นเนี่ยอ่าพวกมิจฉัตะเหล่านี้นี่แหละจึงทําให้พลาดจากสวรรค์และพลาดจากมรรคผลไม่มีการบรรลุสวรรค์และไม่มีการบรรลุมรรคผลแต่ถ้าสัมมตัตตานะคือความชอบมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยนะทำให้ได้ทําให้ไม่พลาดจากสวรรค์ทําให้ไม่พลาดจาก มักผลทีนี้พระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าดูกรพี่สู่ทั้งหลายปุริสะบุคคลผู้มีความเห็นผิดมีความด âm ฤทธิผิดมีวาจาผิดมีการงานผิดมีการเลี้ยงชีพผิดมีความพยายามผิดมีการระลึกผิดมีการตั้งใจผิดมีความรู้ผิดมีความหลุดพ้นผิดก็คือพวกมิฉตะนะพวกผิดทุกเรื่องผิดหมดเนี่ยนะ สมาทานกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมให้บริบูรณ์ตามความเห็นอย่างไรแล้วคือไอมิจฉาทิฐิเนี่ยเป็นปัจจัยให้สมาทานกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมเนี่ยนะเจตนาความปรารถนาความตั้งใจและสังขารเหล่าใดธรรมะเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเป็นไปเพื่อผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจไม่เกื้อกูลเป็นทุกข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเป็นทิฐิอันชั่วชา้าเนี่ยนะ คือถ้าที่ทชั่วแล้วนะกรรมก็เป็นกรรมที่ชั่ววิบากที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็เป็นวิบากที่ชั่วดูกราพิสูจทั้งหลายเปรียบเหมือนพืชเสดาพืชบวบขมหรือพืชน้ำเต้าขมอันบุคคลเพาะแล้วในแผ่นดินที่ชุ่มชืน้นย่อมไปจับรถดินและรถน้ําอันใดรถดินและรถน้ําทั้งหมดนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นรถขมเป็นของรถเผ็ดร้อน นะเป็นรถที่ไม่น่ายินดีข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะพืชเป็นของไม่ดีเนี่ยนะแม้ฉันใดอันนั้นก็ชาตินะเอ า, มาเมล็ดเสตดามาเพาะลงในดินที่มันหอมเกลื่อนเลยนะเพื่อจะได้ชิมยอดสเสตดาที่มันวนวลหวานเนี่ยเป็นไปได้ไหมเอาสเสตดาขมปีนะแล้วมาเพาะปลูกในดินที่หอมเนี่ยนะผสมน้ําหอมอย่างดีเลยนะเอาปุ๋ยอย่างดีมาใส่เนี่ยนะทําให้มันหวานไม่ได้อาจารย์นิดนิดไม่ได้นะเพราะเชื้อเดิมมันไม่ดีอนะ ลัทธิมิจฉาทิฐิก็ลักษณะเดียวกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ที่มีความเห็นผิดแล้วก็ต่อไปก็จะตามด้วยดํ m ริผิดวาจาผิดการงานผิดอาชีพผิดเพียนผิดระลึกผิดตั้งมั่นผิดรู้ผิดบรรลุผิดเนี่ยนะถ้าผิดอย่างนี้แล้วเนี่ยสมาทานกรรมไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้บริบูรณ์ตามทิฐิคือความเห็นอย่างไรเจตนาความปรารถนาความตั้งใจและสังขารเหล่าใด ธรรมะเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเป็นไปเพื่อผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจไม่เกื้อกูลเป็นทุกข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเป็นทิฏฐิที่ชั่วฉะนั้นเหมือนกันดังนั้นตามคําสอนของเรานี่ถือว่าทิฏฐิเนี่ยน่ากลัวที่สุดใช่ไหมไอความเข้าใจผิดเนี่ยนะก็เหมือนกับการเดินทางเนี่ยนะสิ่งที่กลัวที่สุดคือการหลงทางไสําหรับผู้ที่จะเดินทางนะเพราะหมายถึงว่าถ้าเดินถ้าผิดทางที่ต้องการแล้วเนี่ยมัน ยาวเลยนะคือถ้าเชียงใหม่อาจจะไม่เท่าไร่นะถ้ากรุงเทพเดือดนะหรือหลงทางกับหลงทิศเนี่ยนะจะพอๆกันเลยนะนยาวเลยอย่างนั้นส่วนผู้มีความเห็นชอบนะมีถ้ามีความเห็นชอบก็จะมีดํารีชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบพยายามชอบระล็กชอบตั้งใจชอบรู้ชอบหลุดพ้นชอบสัมาทานกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้บริบูรณ์ตามสัมมาทิฏฐิเหล่านั้น่นะ เจตนาความปรารถนาะความตั้งใจและสังขารเหล่าใดธรรมะเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเป็นไปเพื่อผลที่น่าปรารถนาะน่าใคร่น่าพอใจความเกื้อกูลนั่นนะความสุขข้อนั้นเพราะเหไรเพราะเป็นทีิฏฐิที่เจริญเปรียบเหมือนพืชอ้อยพืชข้าวสาลีและพืชองุ่นอันบุคคลเพาะลงแล้วในแผ่นดินที่ชุม่มชื้นย่อมเข้าไปจับรดดินและรดน้ําอันใดรดดินและรดน้ําทั้งหมดย่อมเป็นไปเพื่อความ เป็นรถที่น่ายินดีเป็นรถหวานเป็นรถที่น่าชื่นใจข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะพืชเป็นของดีฉันใดเนี่ยนะอังุ่นอินเดียนี่เขาไม่มีเม็ดนะไทยไม่มีแน่นะตอนนี้นะแต่ว่าเขากรอบนี่นะไม่มีเม็ดไม่มีอะไรนะเขาก็หวานเออหวานอย่างในสูตรว่าจริงๆนะของของไทยเนี่ยนะที่อังุ่นอร่อยขนาดนั้นนี่ก็ยังยังไม่ค่อยได้ทานเนียนะหายากมากแต่ว่า ท, ที่ที่ไปครั้งที่แล้วก็ชอบแม่จานเกตุดาอังุ่นอินเดีย <ś art> ชอบเดี๋ยวได้กินเองนะแต่ชอบไปแล้วเถอตอนนั้นน่ะกลัวกลัวได้ลิ้นอีกนะ <ś art> แต่ตอนนั้นมันอร่อยเสร็จแล้วอ่ะมันได้ลิ้นแล้วตอนชาน่ะ <ś art> แต่ถ้าตั้งความปรารถนาเพื่อจะทานอีกก็ไม่แน่นะแ <ś art> สวสงหาลิ้นนั้นใหม <ś art> ่อีกนะก็พพระพ อ, องค์จิงยกอั ง, งุ่นขึ้นมาเป็นตัวอย่างไหมเพราะอังหนนอินเดียนี่เขาเขาเขา ก็อร่อยนะแล้วก็ไม่มีเม็ดนะแล้วก็กรอบดีดูกรรมพิสูจน์ทั้งหลายปุริสปุริสบุคคลผู้มีความเห็นชอบมีความดํารทธิชอบมีวาจาชอบมีการงานชอบมีการเลี้ยงชีพชอบมีความพยายามชอบมีความด âm ฤทธิมีความละเล็ดชอบมีความตั้งใจชอบมีความรู้ชอบมีความหลุดพ้นชอบสมาทานกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้บริบูรณ์ ตามความเห็นอย่างไรแล้วเจตนาความปรารถนาความตั้งใจและสังขารเหล่าใดธรรมะเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเป็นไปเพื่อผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเกื่อกูลเป็นสุขข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะทิฏฐิเป็นของเจริญฉะนั้นเหมือนกันทิฏฐิที่เจริญตามพุทธศาสนาก็คือเป็นทิฏฐิที่อย่างน้อยที่สุดคือรู้กรรมและผลของกรรมก่อนนะ อันนี้อย่างเบาที่สุดนะต่อไปสูงกว่านั้นก็เป็นวิปัสนาสัมมาทิฏฐิหรือฌามสัมมาทิฏฐิยิ่งที่สุดก็คือมัคคสัมมาทิฏฐิมัคคสัมมาทิฏฐินี้รู้เห็นอะไรก็รู้เห็นอริยสัจนั่นเองเนี่ยนะเพราะนั้นการเห็นอริยสัจนั้นถือว่าเป็นทิฏฐิที่เจริญที่สุดนั้นผลของคิฏฐิเหล่านี้มีแต่ความสุขมีแต่ความดีโดยถ่ายเดียวนี่นะวันนี้ก็สมควรกับเวลาแล้ว